มาร่วมประชุมสันนิบาตกันอย่างรงธรรมสภาศาลาหรือวิหารแห่งวัดโสกร า, รามในวันนี้เราท่านทั้งหลายต่างก็ได้มีความพร้อมเพียงและร่วมใจกันเป็นนันหนึ่งนันเดียวกันและในฐานะทุกท่านซึ่ง ตั่งอยู่ในฐานะของความเป็นสิทธิานุสิ์ในท่านพอ่อลีซึ่งเรียกว่าพระสุทธิธรรมรังสีธรรมีลเมธาจารย์หรือเรียกอีกในหนึ่งท่านพ่อลีปัจจุบันนี้ได้เป็นอดีตเจ้าอาวาส ไปถึงแก่โมรณะไปแล้วถึงเป็นเวลาสามสิบสี่สิบปราวีตและเป็นผู้ให้กำเนิดวัฏสงการาซึ่งเราท่านทั้งหลายที่ร่วมประชุมมีในที่ดีก็ย่อมจากุณที่ไปแจกประจากแจ้งกันเป็นอย่างดีแล้วและเป็นศิษยานุศิต ในพระเดชพระคุณคือระเทพมรีซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้เป็นอดีตเจ้าว่าตลอดถึงท่านผู้ที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลทั้งหลายที่มีต่อพระพุทธศาสนาประจำชาติคือชีวิต ของตนของตนได้เสียสระและองค์ภากิจแห่งตนได้มาร่วมชุมุมกันอยู่สถานที่นี้กระเนื่องโดยวันนี้เราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาเพื่อจะบาเพ็ญ การกุศลเนื่องด้วยการให้ทานซึ่งเรียกว่าการรลนทานได้แก่ถวายผ้ากทิ้นแก่ภิกษุผู้ที่อยู่จำบรรษาครบสามเดือนไตมาดยังละวาดได้ชื่อว่าวัดอสุกราโดยที่มีคุณสุรัก งคงพันเป็นประธานในการทอดกระถินสามัคคีในวันนี้และต้องขอโทษทุกท่านด้วยที่ไม่สามารถที่จะเผยนามได้โดยทั่วถึงเราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันแสดงออกขึ้นกายสามคัคคีความพร้อมเพียงกัน ในส่วนทางายเราทั้งหลายได้แสดงออกซึ่งความพร้อมเรียงในทางใจคือเราได้ร่วมใจกันหมายถึงมีเจตนารม์เป็นบุญเป็นกุศลด้วยการบำเพ็ญการทานเหมือนๆกันตลอดถึงได้พร้อมเรียงกันบริจาคซึ่งทรัพสมบัติ มันได้ชื่อว่าเป็นวัตถุทานมีปัจจัยเป็นต้นตามกําลังศรัทธาที่เราท่านทั้งหลายจะพึงบริจาคและกระทาให้เป็นไปได้การบุญการกุศลมีการให้ทานเป็นต้นนั้นในทางพระพุทธศาสนาแห่งเราท่านทั้งหลายย่อมได้แสดงไว้ในที่ไรแห่ง อยู่ในธรรมมหลายหมวดถึงเรียกวันทานะแต่ว่าการให้ทานนั้นโดยไม่จํากัดการและเวลาเราจะทําเวลาไหนได้ทั้งสิ้นจะทํากลางคืนก็ย่อมจะได้ผลของฐานกลางคืนกลางวันตลอดทั้งวันเดือนปีฤดูใดก็ได้ไม่จํากัดของคําว่าให้ทานนั้นแต่ถ้ว่า การทำทานเนื่องด้วยถวายป้ากฐินนั่นเป็นการฐานเป็นทานที่เราท่านพุทธบริษัทผู้มีจิตใจเป็นบุญผุญสนทั้งหลายไม่พึงจะบำเพ็ญให้เป็นไปได้ทุกกาลทุกสมัยหากมีการมีสมัย พรเอกนั้นก็จะได้หยินยกพอเป็นเรื่องสาธกให้พวกเราทั้งหลายได้รับทราบปฐมไม่เดชของการรัฐานเกี่ยวกับาการให้ภาคินนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในสมัยนั้นพระองค์ทรงประทับสำเร็จปริยาบท อยู่ในพระเจตวันมหาวินวิหารซึ่งอาณาธิกะอาณาธิกะอาณาถาบินธิกาเศรษฐีได้สร้างถวายในเมืองอาราณียังมีภิสูุ จำพวกหนึ่งซึ่งเรียกว่าปาทยะรัฐหรือภิกษุชาวเมืองปาทยะมีจำนวนสามสิบรูปภิกษุทั้งสามสิบรูปนี้ท่านเป็นผู้ปฏิบัติธุดงคเขาวัดอย่างเข้มข้นอยู่สามข้อคือหนึ่ง อรัญญิกะทุดงบินิปาทิกะธทุดงและเจดีวะเจดีวริกะทุดงอรัญญิกะทุดงนั้นหมายถึงว่าอยู่ป่าเป็นวัดตั้งแต่ท่านออกบวชจนถึงนิพพานท่านจะอยู่ใน ละแวกป่าเป็นประจับไม่อยู่บ้านอยู่เมืองเหมือนกับภิกษุทั้งหลายนี่ข้อข้อที่สองบินธบาตเป็นวัดและก็ฉันอาหารได้มาเฉพาะที่เที่ยวบินธบาตเท่านั้นเป็นวัดจนตลอดชีวิตนี่เป็นตัวตข้อที่สอง ข้อที่สามนั่นถือจีวรสามผืนเป็นวัดเรียกว่าบังสกุลจีวรมีผ้านุ่มผืนหนึ่งผ้าห่มผืนหนึ่งและก็ผ้าสังขติสำหรับผ้าบาต ท, ที่เราเห็นอยู่นี่เองเรียกว่าเตจีวรคือจีวรสามผืนและจีวร น, นี้ ก็เป็นจีวรที่จะพึงสแสวงหาได้มาจากการบังสกุลเท่านั้นมีความปรารถนาในอันที่จะเข้าเฝ้าสมเด็จทัตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายซึ่งสมัยนั้นพระองค์ทรงสเสด็จประทับอยู่หน้าพระเชตวันแต่เป็นเวลาที่จวนเปลี่ยนของการอยู่จำพรรษาท่านก็ไม่สามารถที่จะเดินทาง มาถึงพระเชตวันได้มาถึงแค่เมืองสาเกตทางจากพระเชตวันประมาณหกโย์ก็หมดเวลาของการเดินทางคือได้เวลาของการที่จะต้องอธิษฐานอยู่จำบันษาท่านจึงต้องจำบันสาอยู่ที่เมืองสาเกนั่นเองตลอดเวลาสมเดือนท่านทั้งหลายทั้ง30รูปนั้นทางก็มีจิตลําจวน วิวิตก น, กนึกนึกถึ ง, ถงแต่องค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ้า ว, ว่าพวกเราทั้งหลายปรารถนาในอันที่จะเข้าเฝ้าพุะพุทธเจ้าโดยที่อยู่ในระยะทางเพียงแค่หกโยชน์เราก็ไม่พึงจะได้เข้าเฝ้าสมความปรารถนาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อสิ้นการ ทำพรรษาแล้วคือออกพรรษาแล้วท่านทั้งหลายแ่วนั่นได้ทำภาวณาในวันออกพรรษาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้รอช้าต่างก็พากันออกเดินทางเพื่อเข้าข้อพระพุท ธ, ธจาาในขณะที่ยังไม่หมดสิน้นฤดูฝนฝนก็ยังตก ทุชุบชุชุชช่มทางเดินก็ชุ่มแช่ไปด้วยเปลือกโคลเลตลมเพราะนทั้ง30สบทันตลอดเวลาของการเดินทางชั่ว6โยนดนั้นทั้งเปรียกปรนด้วยน้ำฝนทั้งเปื่อนเปิดเลอะเทอะด้วยโคลตรม เมื่อไปถึงประเจตะวันแล้วได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจา้าพระองค์จึงได้ดักถามภิกษุทั้งหลายสามสิบรูปนั้นว่าดูก่อนภิกษุเธอทั้งหลายยังพอทนอยู่หรือยังพอมีอัตภาพ ยังพอเป็นไปได้เลยเธอมีความร้อมเพียงกันมีความร่วมใจกันไม่ทะเลาะวิวาดกันไม่ในที่สุดการบินทบัติของเธอยังพอเป็นไปรือดังนี้นี่เป็นพุทธประเพณีพระพุทธเจ้าของเรา ย่อมจดกัดสังสรรค์กับพุทธสาวกที่เข้าเฝ้าโดยที่จากมันเป็นเวลานานในรูปลักษณะอันอย่างนี้อันนี้เป็นพุทธเพณีของบูรทยาำทุกๆุกพระองค์ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้กราบทูลว่าอัตภาพยังพอทนได้ ยังพอเป็นอยู่ได้ข้าพระพุทธเจ้ามีความพร้อมเพียงกันดีมีความร่วมใจกันดีไม่ทะเลาะไม่มีว่าอยู่ด้วยความสงบบิณตบาดโกจรก็พอเป็นพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้พระพุทธเจ้าข้าแต่ถ้าว่าการเดินทางของพวกข้าพระพุทธเจ้าทาั้งหลาย แสนที่จะตุระกันดาลและลำบากเปรียกทั้งน้ำผลและเธปเบอร์พื้พพนทั้งโคนตมก็ยังไม่สิ้นฤดูการผลเมื่อพระองค์ได้ทรงทราบจากการกราบทุนของเหล่าพิสูจนทั้งหลาย30สบรูปพระองค์จึงทรงประทานอนุญาต ให้ภิกษุทั้งหลายที่อยู่จำบรรษาครบสามเดือนใ่มากให้ทำการกรารกระถินได้ดังนี้คำว่าการกระถินนั้นอันนี้เป็นการละทานรทรงสงวย โดยมีกำหนดการมีการสมัยนับจำเดิมตั้งแต่ออกพรรษาแล้วไปหนึ่งเดือนก็ไปสิ้นสุดเอาเป็นกลางเดือน12ซึ่งเป็นเวลาหนึ่งเดือนนี่คือการเวลาของการที่จะได้บำเพ็ญทานในเรื่องผ้ากัตถินแก่พระสงฆ์ถ้าพ้นจากนั้นแล้วเป็นนัดหมดการเพราะนั้นปีหนึ่ง ก็มีอยู่เพียงสามสิบวันคือหนึ่งเดือนเท่านั้นและก็ไม่ใช่ว่าจะทานเดือนไหนก็ได้ก็มีเฉพาะระวังเดือนสิบเอ็ดจากแรมหนึ่งคำ่ำไปสิ้นสุดเอาเป็นเดือนสิบสองซึ่งมีเป็นเวลาเดือนเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นไม่ใช่เป็นการละทานเนื่องในภาคตะวันนี้ทต่นี่เรื่องของภาคตะวันนี้อันนี้ เป็นเรื่องของพระพุท ธ, ธานุ ญ, ญาตให้พระสงฆ์สาวกของพระองค์ในพระพุทธศาสนาได้รับทานเกี่ยวกับการถวายผ้ากรถินและให้ทำการภากรถินนั้นได้ทีนี้คำว่าการกรถินนั้นกรถินในที่นี้ หมายถึงไม้สะดึงไม้สะดึงสําหรับขึงผ้าแล้วเราจะได้ด้นผ้าแล้วล้มกระดูกผ้าได้อย่างสะดวกสบายกว่าที่เราจะใช้มือและเท้าจับถ้าเราจะมองถึงภาพองคําว่าสะดึงเด็กสมัยนี้ก็อาจจะไม่รู้เพราะสมัยใหม่เกินไป และดึงนั่นก็เหมือนคันธนูเหมือนกับคันธนูปลายทั้งสองข้างนั้นอาจจะใช้เข็มหรือของแหลมพันไว้สําหรับแทงเข้าไปในผ้ามันจะได้ถึงตึงอันนี้สะดวกแก่การที่จะสอยผ้าหรือลมผ้าอันนี้แหละเราเรียกว่ากระถิ่นดอกกระถิ่นดอกนั่นหมายถึงว่า พระสงฆ์ทั้งหลายได้ร่วมพร้อมใจกันทำผ้ากะถินคือมีการซักผ้าซัผ้าตัดผ้าเย็บผ้าคือด้นผ้าล่มผ้าเสร็จเรียบร้อยหรือไม่สะดึงออกเพราะมันเสร็จแล้วถ้นําไปย้อมไม่ได้สีแล้วก็มาการกันตามพระพุทธานุญาตและประสงค์ทั้งนั้นก็นุโมทนานี่คือกะถิ่น ก็หมายถึงว่ากาัดินดอกก็ดีก็หมายถึงลือไม้สสดึงนั่นออกกัถินแปลว่าไม้สสดึงทำความเข้าใจง่ายง่ายแต่ว่ามันมีทำความหมายในดับในเกี่ยวแก่การสงในาศาสนานี้เมื่อภิกษูจน์จรรษาจำศัพทส์สามเดือนไสมาสแล้วและได้รับการการกัดินรวมทั้งผู้ดีกาและแดโมโทนาย่อมจะได้รับอนิสง ห้าประการที่นี่ในรนีสงห้าประการนั้นมีความสำคัญอยู่ข้อหนึ่งท่านเปิดโอกาสให้แก่พระสงฆ์ผู้ที่ได้การกฐินนั้นมีเวลาในการที่จะทำจีวรหาผ้าทำจิวรถึงสีเดือนพอผพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของเราท่านทั้งหลายนั้นในสมัยกางพุทธกาลนั้นเมื่อออกพรรษาแล้ว มีการแสวงหาผ้าแล้วก็สั่งสมผ้าไว้สําหรับผ้าที่ไม่พอก็จะสั่งสมไว้เพื่อมันเป็นพอตัวพอสบงก็ดีจีวรก็ดีสังขาก็ดีแล้วก็ตัดเย็บสิ่งการสั่งสมไว้เนี่ยในศาสนานี่ท่านสอนแม่สั่งสมแม่ภิกษุสมณะทําการสั่งสมไม่ว่าจะเป็นของสดหรือของแห้ง แต่เมื่อจะสังสมมันมีอายุการของมันที่จะต้องติดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ถ้าหากว่าจะพูดรายละเอียดเกินไปมันก็จะเปลืองเวลาก็จะขอจีแจงไว้เพียงแค่นี้อันนี้เป็นเรื่องกระถินทีนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็อาจจะสงสัยว่าการทอดกรถินนั้นน่ะมีอานิสง์มากมันมีอานิสง์มากตรงไหนการทอดกรถินที่ว่ามีอานิสงมากน่ะมีอานิสงสองชั้น พวกท่นทั้งหลายได้เสียสละวัตถุสิ่งของเงินทองจัดหาสิ่งที่ควรแก่การบริจาคโดยถูกต้องตามลักษณะของคำว่าพาะกฐินแล้วได้นำมันมอบถวายแก่พระสงฆ์คำว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานั้นอย่างน้อยสี่รูปขึ้นไปถ้ารูปบัาง สิบลูบ้ังยี่สิบรูก ป, ปังการรบสงตามกำหนดอย่างน้อยสีรูปนี้ย่อมสามารถทำกิจของพระศาสนาเพื่อทรงไว้ซึ่งจัตุคํำสอนของพระพุทธเจ้าและขนบรมเนียมประเพณีให้สืบลดลงทรงสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะด้วยอำนาจของสงคำว่าคณะบุคคล น, นั่น ตามจากสามลูกลงมาหรือไม่ครบลงสงในกาลกนั้นๆย่อมไม่สามารถที่จะลำลงสงขนบธรรมเนียมในธรรมวินัยคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระพุทธศาสนาได้อันนี้พูดกันอย่างกว้า ง, างเมื่อเราได้น้อมมัถวายแก่พระสงฆ์แล้วคำว่าการกระถินนั้นไม่ใช่พระสงฆ์ต่าง เป็นบุคคลการพระสง์นั้นจะการกระถินไม่ได้ทีนี้คำว่าประสงค์ในการรับผ้ากระถินนั้นสง์ในการรับกระถินนั้นไม่ใช่สี่รูปหากต้องเป็นประสงห้ารูปประสงห์ารูปนั้นรูปที่หนึ่งรูปหนึ่งนั้นสำหรับเป็นบุคคลผู้ครองกถินอีกสี่รูปนั่นคือประสง เป็นผู้สวดและมอบผ้ากระถิ่นนั้นให้แก่บุคคลเมื่อบุคคลได้กรานกระถินแล้วแล้วพระสงฆ์คณะได้ทำการนโมธนาแล้วก็ดีหรือพระสงฆ์คณะได้นโมธนาแล้วก็ชื่อว่าพระสงฆ์ได้กรานกระถินด้วยเมื่อเราถวายพระสงฆ์แล้ว สำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลแต่ทายกทายิกาเมื่อพระสงค์รับแล้วพระสงค์ไม่ได้การพระสงค์นั่นได้มอบถวายแก่บุคคลที่สงนั่นเห็นว่าเป็นบุคคลที่ควรแก่การกรารกฐินบุคคลที่ควรการกฐินนั้นยกตัวอย่างเป็นผู้ที่ มีจีวรค่ำค่าหรือมีพันษามากเป็นผู้ทรงถิลนทรงธรรมเป็นอาจารย์เหล่านี้เป็นต้นเป็นบุคคลที่ควรแก่การกฐินถ้าสงฆ์จึงมอบให้ในเพราะประสงค์ได้นำผ้ากฐินที่เราทานแก่สงฆ์แล้วนั้น ได้มอบถวายแก่บุคคลอีกครั้งหนึ่งนี้เท่ากับว่าบุญเกิดขึ้นแก่พวกเราถึงสองชั้นสองขั้นตอนเราถวายแก่พระสงฆ์ก็เป็นสำเร็จบุญแก่พวกเราแล้วในขั้นตอนหนึ่งพระสงรับของเราแล้วมอบถวายให้แก่บุคคลการไม่ใช่สงการ เราพลอยนุมโมทนายินดีกับพระสงฆ์เหล่านั้นบุญกุศลก็เกิดขึ้นแก่พวกเราอีกชั้นหนึ่งเพราะนั้นจึงบอกว่ า, วาการให้ภากรถินหรือกรถินนัทฐานนั้นย่อมได้บุญและมรณาใิสงบ์บ้านเพราะพอเหตุดังกล่าวสู่ฟังโดยย่อนี้อันนี้ได้ประรบถึงเหตุ ท, ที่มาของการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาต ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้บาเพ็ญเสริมบา ร, รมีของเราในเรื่องกองทานคือการเสียสละเกี่ยวแบบผ้าปักะถินเกี่ยวแบบผ้ากระิ่นอย่างที่กล่าวสู่ฟังโดยย่อเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายการที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เสียสละภารกิจก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดี ได้มาร่วมพร้อมเพียงกันในสถานที่นี้ก็แสดงให้พวกเราทุกท่านได้เห็นแล้วว่าเราเป็นผู้มีใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นผู้ที่มีความนิยมชมชอบต่อความทุจริตธรรมและเป็นผู้รังเกียจ ต, ต่อความทุจริตธรร ความไม่เป็นธรรมอันนี้ก็ยอมจะเป็นธรรมดาของพุทธสาวกสาวิกาทั้งหลายหรือพุธทธบริษั ท, ษทผู้ที่ปรารถนาในอันที่จะเสริมส่งเพิ่มเติมบุญญาบารมีของตนให้เจริญแก่กล้า ม, มากยิ่งขึ้นหรืออีกประการหนึ่งการบำเพ็ญทาน เรื่องในการใน้ากตินนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ตั้งชื่อว่าเป็นกตินสามากีนั่นก็หมายถึงว่าเป็นกองทานส่วนรวมไม่ใช่เกิดขึ้นจากเฉพาะบุคคลใดคนหนึ่งหรือตระกูลใดตระกูลหนึ่งแต่เกิดขึ้นจากน้ำใจบุญของพุทธบริษัทโดยทั่วไปอาจจะกว้างมั่งบ้างแคบมาก ท่านนี้จะพูดถึงว่าเรื่องของฐานซึ่งเป็นหน้าที่พวกเราท่านทั้งหลายจะพึงรู้ทายกแปลว่าผู้ให้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายในชื่อว่าทายกคือผู้ให้ปฏิค้าหกแปลว่าผู้รับได้แก่ประสงค์ผู้ทรงศิลรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาได้แก่ประสงค์ อย่างที่เราเข้าใจกันในชื่อว่าปฏิท่าหกถ้าสงอย่างไรปฏิท่าหกอย่างไรทายกอย่างไรทานของเราอย่างไรจึงจะชื่อว่ามีผลอันเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์ในส่วนทานที่เราจะให้แล้วบำเพ็ญแล้วให้เป็นไปแล้วแล้วได้รับผลเห็นประจักษ์แจ้ง ในทันตาเห็นนั้นอันนั้นยกไว้เราจะต้องบุคคนปฏิการหกที่จะพึงบรรดาลให้ผลทานของเราเป็นไปได้อย่างนั้นเกาย่อมจะมีอยู่ในพระพุทธศาสนาแห่งเหล่านี้แต่ปัจจุบันนี้ถึงจะมีหรือไม่มีก็ไม่อาจจะทราบหรือชี้ให้พวกเราผู้ปรารถนาทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ผู้ที่จะบรรดาลให้สําเร็จเห็นผลในทันตา ในแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในแก่พระพุทธเจา้าทุกๆพระองค์ทุกยุคทุกสมัยซึ่งได้ชื่อว่าพุทธเจา้าพระปัจเจกพุทธเจา้าซึ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งแต่ไม่ทรงตัง้สั่งสอนไม่ตั้งศาสนาขึ้นหรือไม่เช่นนั้นก็พระอรหันต์ไม่เฉพาะแต่พระพุทธเจา้าแม้แต่พุทธสาวกสาวิกาในสมัยที่ท่านเข้าฌานสมาบัติ เข้านิโรดสมาบัติเจวันบ้างส5บหวันบ้างหนึ่งเดือนบ้างแล้วออกจากฌานสมาบัติบุคคลผู้ใดได้ถวายทานผู้นั้นจะเห็นผลทันตาผลของทานจะพึงได้รับเอตทิยศลาบสการะอย่างไรก็จะได้เห็นกันในปัจจุบันทันตานั่นแหละนี่คือปฏิคาหกได้แก่บุคคลที่จะบรรดาล ผล้องทานให้เราได้เห็นประจักษ์แจ้งในปัจจุบันทันตาในศาสนาของเราในปัจจุบันนี้จะมีหรือไม่มีพวกเราเองก็ไม่อาจที่จะคนคว้าหรือไม่อาจในที่บอกกันได้ในส่วนปฏิคาหกที่บริสุทธิ์สามารถที่จะบรรดาลบุญกุศลของเราให้เต็มเปี่ยมถึงแม้จะไม่เห็นผลในปัจจุบันทันตาก็ตามอันนี้ได้แก่ประสงค์แต่ประสงค์นั่น ถ้าเราจะมองถึงคุณในคุณของประสงค์ว่าคุณยักษ์เตตังโลกาสัตพระสงฆ์เป็นนาคุณของโลกพระสงฆ์เหมือนกับพื้นที่นาที่สวนถ้าจะเปรียบเทียบเมื่อเราหว่านพืชสิ่งใดลงไปก็พร้อมที่จะตกดอกออกผลให้แก่เราผู้ที่หว่านลงไปนะั้นฉันใดพระสงฆ์ก็ฉันนั้นเป็นบุญยเตต ของพุทธบริษัทผู้ที่จะบำเพ็ญทานคือการเสียสละผู้ใดเสียสละแก่ประสงค์ซึ่งจะเป็นปัจจัยสีมีข้าวน้ำโภชนาหารก็ดีเสนาธนาที่อยู่อาศัยก็ดีบินดาคือก้อนข้าวก็ดีกีลานเภสัตยาแก้ไข้ก็ดีอันนี้เป็นทานในพระวินันถ้าทานในพระสูตรอาจจะมีถึงสิบอย่าง เพิ่มจากสี่อย่างนี้เช่นอย่างการให้ยานการให้ผ้าการให้ประทีปการให้เครื่องของห อ, งหอมหมู่นี้เป็นต้นนั่นทานที่มีมาในพระสูตรถ้าทานในพระประมัทิตย์นั่นก็หมายถึงว่าเราให้ความรู้สึกยินดีในขณะที่เราสัมผัสรูปเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูได้กลิ่นด้วยจมูกรู้รสด้วยลิ้น สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็นด้วยกายแล้วน้อมความสุขความสบายความเยือกเย็นความเบิกบานในจิตใจของเราในเพราะได้อาศัยสัมผัสสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้ไปเป็นฐานโดย ในกินด้วยจมูกรู้รสด้วยลิ้นสัมผัสเย็นร้อนออนแข็นด้วยกายแล้วน้อมความสุขความสบายความเยือกเย็นความเบิก บ, บานในจิตใจของเราในเพราะได้อาศัยสัมผัสสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้ไปเป็นขาดโดยจะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาก็ตาม หรือจะได้โดยการสูงเพราะอนุเคราะห์ซึ่งกันก็ตาย่อมให้สําเร็จเป็นประมัดฐานเป็นฐานอันสูงสุดเป็นฐานที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ต้องอาศัยวัตถุแต่ประการใดอันนี้เป็นเรื่องของลักษณะวัตถุฐานวัตถุฐานของเรานั่นจะต้องเป็นวัตถุที่บริสุทธิ์ปราศจากการได้มา ที่เป็นบาปและที่จิตเป็นอกุศลการได้มาที่เป็นบาปยกตัวอย่างง่ายๆเราได้เนื้อปรุงเป็นอาหารมาใส่บาตรแก่พระคุณเจ้าเป็นเนื้อที่บริสุทธิ์โดยที่เราไม่ได้ฆ่าให้เขาถึงแก่วความตายด้วยมือของเราเองและเราก็ไม่ได้สั่งให้เขาฆ่า เพื่อเรามันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในโลกตามธรรมดาของมันนั่นก็หมายถึงว่ามันมีอยู่แล้วเราจะซื้อไม่ซื้อมันก็มีอยู่ในท้องตลาดแล้วมันก็มีวางขายอยู่แล้วอย่างนี้เรานํามาหุงต้มแกงและถวายพระคุณเจ้าถือว่าอาหารบริสุทธิ์เงินทุกบาททุกตะตัง เป็นผลของหยาดเหงื่อแรงงานเพราะความของความฉลาดในสติปัญญาของเราคือถูกขายแพ่เราไม่ได้คตรไม่ได้โกงไม่ได้รอกลวงป้อนปิ้นด้วยกลวิธีอุบายอย่างใดอย่างหนึง่งมาเป็นทรัพย์สมบัติของเราแล้วเรานำมาบริจาคนั่นคือวัตถุทานที่บริสุทธิ์นี่อย่างอีกอย่างหนึ่ง หมายถึงจิตใจของเราผู้ที่ให้นั่นเองปุพเพเจตนาความตั้งใจที่จะคิดคิดที่จะบำเพ็ญบุญกุศลสร้างเสริมบา ร, รมีของตนด้วยการให้ทานคือการเสียสละวัตถุสิ่งของมากก็ตามน้อยก็ตามไม่เป็นประมาทโดยที่เราเห็นชอบด้วยปัญญาว่าการเสียสละนั้น จะเป็นการเสียสระเนื่องในบาเพ็ญกุศลการทานทอดกระินในขณะนี้ก็ดีพระป่าก็ดีสร้างถนนหนทางก็ดีกุดีเสนาชนะและอื่นๆก็ดีด้วยความบริสุทธิ์ใจคำว่าบริสุทธิ์ใจเมเจตนาดีไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเกิดขึ้น คนเราถ้ารอบเกิดหลงเกิดขึ้นแล้วจะทําให้เราเสียสละนั้นมันเป็นสิ่งที่ยากผู้ที่โกรธผู้ที่โลภผู้ที่หลงย่อมเสียสละได้เหมือนกันให้โดยการประโภตก็คือให้โดยความโกรธก็เป็นการให้โดยการประชดโดยการประชันโดยการกระแทกแดกดันอันนี้ มีอยู่ถ้าเรากลับจิตย้อนไปสู่บ้านของเราเราจะเห็นอยู่มันกองอยู่ที่บ้านของเรานะล้วนและแต่พวกเราทัดทั้งหลายนะ่ะชำนาญการคือทำกันมาแล้วทั้งนั้นให้ด้วยความโกรธให้ด้วยความอยากด้วยความโลภโลภทำไมถึงให้ได้คนโลภทำไมจึงจะให้ไม่ได้ เพราะนั้นท่านแสดงไว้ในลักษณะของธรรมะที่เรียกว่ามิตรเทียมมิตรไม่แท้มิตรจอมปลอมหรือมิตรปฏิรูปคือให้แต่น้อยคิดเอาให้มากนี่แหละเป็นลักษณะของคนโลกคนที่เห็นแก่ตัวส่วนเรื่องความหลงและจะให้ไม่ได้นะเป็นอันว่าไม่มีนะเพราะมันหลงให้ใครเขาว่าอะไรดีก็ให้ทั้งนั้นแหละเพราะมันหลงนี่ เพราะฉะนั้นในศาสนานี้ท่านจึงให้รักษาระดับจิตเมื่อจิตมันเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วเจตนาดีแล้วในเบื้องต้นเราคิดจะมาวัดคิดจะมาทอดกระทิ้นนั่นเป็นจิตที่ดีเป็นเจตนาที่ดีเราต้องรักษาไว้รักษาไว้มันดีตลอดไปถึงขณะที่เรากำลังปฏิบัติดำเนินการอยู่ในขณะนี้ บารมพระเจตนาในขณะที่เราปฏิบัติกิตินี้รักษาจิตให้ดีย่มันเกิดความโลภความโกรธความไม่พอใจขึ้นเพราะการพูดเพราะการกระทบกระทั่งด้วยกายของบุคคลอื่นกระทบกระทั่งเสียดสีด้วยวาจาของบุคคลอื่นเรารักษาจิตของเราเข้าไว้ พราจิตของเราตั้งไว้ดีแล้วในถ้ำกลางก็ควรจะให้มันดีเมื่อเราได้บริจาคทานไปแล้วก็ให้เรารักษาจิต ท, ที่ดีของเราไว้มุ่เจริญเจตนาหมายถึงว่าเรามีใจดีในเบื้องต้นประคับประคองดีใน่้ำกลางเจ็ดกิจของการทําความดีนั้นแล้วเราก็ควรจะรักษาความดีอันนั้นเขาไว้ในใจของเราเท่าที่มันจะมากได้นี่เขาเรียกว่า ใจเป็นบุญเป็นกุศลทั้งสามการอันนี้เป็นส่วนที่ทายกจะพึงบริหารจิตของตนให้เป็นไปตามในลักษณะดงังดีกล่าวมานี้ที น, นี้ส่วนปฏิฆาหกได้แก่พระสงฆ์สุปฏิปันโนเป็นคุณลักษณะของพระอารียสงฆ์อุจชุเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตงปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรม แล้วก็ปฏิบัติชอบยิ่งในลักษณะทั้งสีประการนี้เป็นคุณลักษณะของพระอริยสงฆ์ถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบสุปฏิปันโนได้แต่คุณลักษณะของพระโสดาบันในแก่พระริเจ้าจิตที่ได้ก้าวล่วงโลทูโลกุตละธรรมพ้นแล้วซึ่งโลกีโลกียาธรรมอุจชุเป็นคุณสมบัติของพระสกิทาคา ยายะเป็นคุณสมบัติของพระอนาคามีสามีจิเป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์และแก่ท่านผู้ที่หมดที่เลืเป็นนาเสกาบุคคลจบกิจของพระอมจันทร์อันนี้แรละท่านเรียกว่าพระอริยะแปลว่าผู้ประเสริฐเป็นพระสงฆ์ที่ประเสริฐแม้แต่องค์เดียวก็ได้ชื่อว่าเป็นพระอริยสงฆ์แต่พระพวกเราที่นั่งอยู่นี่ เป็นสมมุติสงขเป็นดินที่มันยังมีวัชพืชเต็มไปหมดนะเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้วนันพืชลงไปคือบริจาคฐานแล้วอาจจะไม่ได้กินก็ได้นะเหมือนที่นาเนะ่ะเดี๋ยวนี้เห็นไหมทำไร่ทำนาทำสวนจะปลูกพริกมะเขือสัก5้าต้นสิบต้นถ้าไม่ยอมเสียเงินซื้อยามาฆ่ า, มาแมลงมาฉีดแล้วรับรองไม่ได้กิน นี่แหละภัยของพืชสำหรับเลี้ยงชีพของพวกเราทุกวันเนี่ยมันมีมากนะเพรา ะ, ะนั้นถาาหวาัดลงไปแล้วไม่มีความภาคความเพียรเอาใจใส่ดูแลปนดินลดน้ำจีดยาฆ่ากำจัดมแมลงแล้วถ้าปลูกมันอย่างโบ ร, บราณสมัยก่อนเอาพริกเอามะเขือไปหยอดตามปวกตามลานบ้านแล้วก็มานอนคอยเก็บผลนะ่ะสมัยนี้ไม่ได้กินแล้วรับรองไม่ได้กินแน่นอน ธรรมชาติภายนอกนี่เขาแสดงนิบิตหมายให้เราเห็นได้เป็นข้อเท็จจริงฉันใดการที่เราได้วันพืชคือทานลงไปในบุญญาเกตแก่พระสงค์ผู้ทรงซึ่งพระพุทธศาสนาด้แก่สมมุติสมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็าอุปมาฉัานนั้นมันก็ อ, อาจจะบรรดาญผลให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายไม่ได้โดยสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างเต็มที่ อันนี้เพื่อชี้หรือแสดงให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วว่าปฏิโกหกคือบุคคลผู้ที่รับทานของเราเปรียบเหมือนกับพร้อมที่นาและสวนอันจะพึงติดผลให้แก่พวกเราผู้หว่านพืชคือปลกต้นไม้ลงไปได้แก่ประสงค์รวมทั้งวัตถุได้แก่สิ่งของฐานของพวกเรารวมทั้งตัวเราคือผู้ให้ ถ้าเรามีความประพฤติและปฏิบัติให้เป็นไปโดยสมบูรณ์ทั้งในสามนรัตน์นาอย่างนี้ก็ย่อมจะบันดาลผลเพื่อนิสงฐานให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายผู้กระทำบำเพ็ญได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งจึงกล่าวแล้วว่าเรื่องของการทอดกฐินสามาคัคคีนั้นไม่ใช่เรื่องของบุคคลคนเดียว เป็นบุคคลส่วนรวมหมู่คณามากเพราะฉะนั้นการที่จะภาพรือใครก็ตามเมื่อได้ตั้งเจตนารมที่จะบำเพ็ญขึ้นมาแล้วได้บอกกล่าวข่าวการกุศลไปถึงหมู่เพื่อนมนุษย์ผู้ที่มีใจบุญใจกุศลคล้ายๆกับตนของตนคือเชื่อเชิญร่วมกันมาทำคือตัวเราเองทำด้วยบริจาคด้วยแล้วก็เชื่อเชิญเรียกร้อง เชื้อเชิในบุคคลผู้อื่นได้บริจาคร่วมมนุโมทนาด้วยนี้อย่างบุคคลผู้ที่ไดบำเพ็ญทานให้เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ในศาสนาแห่งเราท่านทั้งหลายรสพุทรเจ้าทรงตรัสว่าย่อมจะเพึงได้รับมนีสงบุคคลผู้นั้นย่อมเพียบพร้อมด้วยบริวารยศมีทั้งบริวารยศ มีทั้งพอกระทับสมบัติซึ่งเป็นผลนันตนบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วบือทานนั้นอีกอย่างหนึ่งบางคนมีการเปล่าประกาศเชื่อเชิญในการบริจาคทานแต่ตัวเองไม่ทานตัวเองไม่บริจาคบุคคลผู้นั้นก็ไม่รับอันิสงค์คือการไม่รวยทรัพย์ว่างนั้นเถอะนะไม่ร่ําไม่รวยอาจจะเกิดมาจนแต่มีบริวารมาก มีบริวารเพื่อนฝูงเรียมพร้อมบางคนตัวเองก็ไม่บริจาคไม่บำเพ็ญไม่ทำด้วยแล้วก็ไม่เชื่อเชิญให้บุคคลอื่นทำด้วยบุคคลนั้นเกิดมาพบใดชาติใดก็ย่อมจะขาดทั้งบริวารขาดทางทรัพย์อันนี้เป็นหลักที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาของเราไม่ใช่ว่าจะนำมากล่าว บริจากแล้วเราชักชวนด้วยนี่เราจะเฟื่องฟูเพียบพร้อมด้วยทรัพสมบัติและบริวารสมบัติถ้าเราไม่บริจาคมีแต่การเชื่อเชิญเราจะเพียบพร้อมบริวารสมบัติแต่ไม่เพียบพร้อมทรัพสมบัติถ้าเราไม่บริจาคและก็ไม่ชักชวนไม่มีอะไรเลย เป็นชีวิตที่แล่นแทนทั้งทรัพย์ศินและญาติมิตรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเราทุกท่านที่เป็นผู้มีใจบุญใจกุศลที่ได้ร่วมชุมนุมกันใในที่นี้เราทุกท่านต่างก็ได้บําเพ็ญให้เป็นไปให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นมีขึ้น ตามนัยยะที่กล่าวมาแล้วนี้ด้วยกันทั้งนั้นย่อมเป็นคุณสมบัติหรือคุณธรรมมีอยู่ประจาในกายและจิตของพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมชุมนุมกันอยู่ในที่นี้เพราะเหตุนี้เราท่านทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในทางที่ชอบประกอบด้วยคุณสมบัติ อันจะประดุมชีวิตของเราให้สูงส่งแม้ในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เราก็จะเป็นผู้ที่มีชีวิตสงบระงับเรียบร้อยไม่มีเวรไยและศัตรูเราจะเพียบพร้อมด้วยความโรกสมบัติในจิตในใจของเราคำว่าโพคะตัวนี้เราอยากเข้าใจว่า บุญอันเป็นผลเกิดจากกองกฐินในวันนี้กลับไปบ้านและจะบัดดานทรัพย์เพชรมิ น, นดาให้เต็มบ้านของเราก็หาไม่ได้คำว่าพอคาตัวนี้หมายถึงผู้ดื่มกินหรือผู้เสวยคำว่าบุญนั้นคือความเย็นใจความสบายใจอย่างพวกเรานั่งกันอยู่ในที่นี้นะ่ะมีใครทุกข์ใจบ้างไหมสหา ไม่เน้นึกถึงกองทานการกระถิ่นในวันนี้อาจจะเป็นนึกถึงอารมณ์ที่เลวร้วายก็อาจจะทุกข์ใจก็ได้ถ้าใจของเราจดจ่ออยู่ในภายในวิหารนี้ใจของเราก็จะเต็มไปด้วยบุญกุศล น, นั่นแหละคือผลของการละทานได้แก่การในกระถินเราได้ชื่อว่าเราดําเนินชีวิตและตั้งตนของเราไว้ในที่ชอบ คืออยู่บนเส้นทางของบุญของกุศลตายของเราก็บริสุทธิ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เถือทรัพย์ของคนอื่นไม่ประพฤติผิดประเวณีวจีของเราก็บริสุทธิ์เราไม่ได้ก่อลดมดเท็จกองทานทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้กาดถึงผลถึงผลว่าจะได้กี่หมื่นกี่แสนเราก็ได้ไมไม่ได้ใช้วาจาปล่อนปิ้น ตลบตแรงเอาทรัพย์ของคนอื่นมาบริจาคและทุกท่านที่คว้ากระเป๋าทุกบาททุกสตังก็ไม่ได้เป็นรักขมโมยไปฉกไปช่วยไปปล้นปิ่นของใครมาบำเพ็ญทานนี่เพราะฉะนั้นวาจาของเราบริสุทธิ์เราไม่ได้กล่าวคำหยาบด่าพ่อร่อแม่ใครผลโกดธผลเหงาใครผลชาติผลตระกูลใคร ไม่ได้ใช่วาจาดูถูกเยียบยาม้มรถฐานะของความเป็นคนไปเทียบกับสัตว์ดีฉันวาจาของเราก็ไม่มีความที่จะส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้แตกจากความสามคัคคีความเป็นใจบุญใจกุศลเหมือนเหมือนกันในที่นี้ก็ไม่มีความเพ้อเจอ้อวาจาที่ไล่จากสาระแก่นสารก็ไม่มีถ้ามองถึงจิตใจในขณะนี้ความโลภความอยากใดๆเพื่อความกระตือรือร่น อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลผู้อื่นแม้แต่จะประกาศออกไปได้สักสิบลา้านเราก็คงไม่คิดอยากจะได้ของเงินที่บริจาคนี้อย่างแน่นอนนี่คือความไม่โลภไม่พยาบาทาคาตจองเวนง้นพึงใครเพราะการที่พวกเราได้มาบำเพ็ญการกุศลนี้เป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเราทุกคนเป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบ ถูกตามระบอบครองธรรมของพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าถ้าเมื่อพวกเราประกับประปองชีวิตของเราให้ดำเนินอยู่ในวิถีแนวทางดังที่กล่าวมานี่ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขและความเจริญโดยส่วนเดียวอันนี้แหละคือเป็นทางเจริญและตรงกันข้ามได้แก่ความทุจริตทั้งในส่วนกายส่วนวาจาส่วนวิจิตซึ่งเป็นทางที่เราควรจะต้องงดเว้นให้ห่างไปจากวิถีคือแนวทางชีวิตของเรา อันนี้แหละตามที่ได้ชี้แจงแสดงให้เราได้ยินได้ฟังเนื่องในการรัฐานในครั้งนี้จะเห็นว่าเป็นการพอสมควรแก่การเวลาเพราะว่าในภารกาิจที่เราจะต้องกระทำำําบําเพ็ญกันในการข้างหน้านั้นยังมีอยู่อีกเพราะฉะนั้นจึงขอยุติการแสดงธรรมเพื่อเป็นการเริ่มฉลองเพิ่มเติม ผุศลบุญยาสีเนื่องในการทานได้แก่ถวายผ้ากฐถินในวันนี้ก็พอสมควรก่เวลาขออนุภาพแห่งพระพุทธธรรมผระผสงค์ตลอดถึงผลอันจะพึงเกิดมีจากพองทานของพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้พร้อมกายพร้อมใจกันได้เสียสละทุนทรัพย์และภรรารกิจของตนได้มาร่วมชุมนุมในที่นี้ จงโดนบันดาลให้เราทุกท่านได้ประสบแต่ในสิ่งอันตนพึงปรารถนาและขอพวกเราทุกคนจงปราศจากโรคาพาดเลือดปฐวันต ร, รายเมื่อประสงค์จะนมหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยชอบธรำก็ขอจงให้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจงสาเร็จจงสาเร็จและจงสาเร็จส ม, มนโนปรารถนาทุกประการ โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนทูแสดงมาพรอปวนแต่เวลาเอวังก็มีด้วยก็ได้บัดนี้จะได้นำธรรมะมาชี้แจงสแสดงพอเป็นเครื่องส่งเสริมเพิ่มเตมิมซึ่งสติปัญญาและ ส ม, มาปฏิบัติสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายฉะนั้นต่อไปนี้เอเราท่านทั้งหลายตุนพากันตั้งใจปฏิบัติตนของตนให้เป็นไปตาม ลองทมที่เราได้น้อมนำมาสู่ตนของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะ น, นี้การปฏิบัติธรรมของพวกเราท่านทั้งหลายก็ได้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ กายของเราทุกๆคนส่วนการปฏิบัติขัดเกลาตัวตนของเราภายนอกนั้นขณะนี้ก็ได้ชื่อว่ากายของเราก็ดีวาจาของเราก็ดีได้ตั้งดำรงอยู่ ความเป็นปกติคือไม่เกิดบาปต่างๆยังคงเหลือเรื่องของจิตใจจิตใจได้ชื่อว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่ตัวตนหรือไม่มีตัวไม่มีตน อย่างที่เราเข้าใจกันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกความนึกความคิดที่มีอยู่แล้วเฉพาะตนจะเฉพาะตนใจดวงนี้ทำไมเราจึงต้องทําการ ลมหรือทำการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาให้เป็นจิตเป็นใจที่มีความบริสุทธิ์หรือว่าขาวสะอาดพราะตามปกติใจของคนเหล่านั้น ยัอจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าหลายๆอย่างทำให้จิตใจของเหล่านี้ต้องคุณมัวเศร้าหมองหรือว่ามืดมนถ้าใจของใครก็ตามเป็นใจที่ มองและก็ความมืดยันใดยังหนึ่งให้ปรากฏขึ้นในใจของเราแล้วในศาสนานี้ท่านเรียกว่าเป็นใจที่ไม่ดีใจที่เป็นบาป ที่นี้คำว่าใจไม่ดีหรือเป็นบาปหรือเป็นอกุศลอย่างใดอย่างหนึง่งก็อย่อมจะเป็นชื่อหรือสมมุติบอกถึงใจนั้นไม่ดีไม่ดีเพราะใจนั้นจะต้องเป็นทุกข์ จะต้องส่งผลออกมาคาพูดได้คำเดียวว่าเป็นทุกข์ใจนั้นทุกข์ใจนั้นเป็นทุกข์เพราะใจนั้นวุ่นวายใจนั้นไม่สงบใจนั้นคิดหรือหมกบุ่นอยู่กับเรื่องของความนึกความคิดความปรุงความแต่ง ซึ่งเป็นไปกับความมืดความมัวหมองความไม่สงบจึงส่งผลให้ใจของเรานั่นต้องเป็นทุกข์เหมือนกับกายของเรากับวาจาของเราถ้าเราไม่มีศีล ไม่มีสัจธรรมประจําอยู่ในใจของเราแล้วสิ่งที่เราน้อมเข้ามาเพื่อฝึกกายของเราฝึกวาจาของเราฝึกกายเพื่อให้ละจากอากับกิริยาที่เป็นไปกับ ฝึกวาจาให้ละในอาการของบาปเช่นเดียวกันเมื่อเรามาฝึกกายวาจาของเรากตลอดถึงใจเราให้ละเว้นจากบาป ซึ่งเราได้รู้ได้เห็นและก็เข้าใจได้แล้วมากบันงน้อยบางถ้ามันยังน้อยเราก็าพยายามฝึกการละหรือการงดเว้น กิริยาซึ่งจะพึงแสดงออกทางกายจากการกล่าวซึ่งจะแสดงออกเป็นเรื่องของวาจาถ้ามันมากขึ้นจนกว่ามันจะครบท่วนเรื่องหรืออาการของบา ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็เป็นไปในกายวาจาและใจของเราเมื่อเราสามารถศึกษาปฏิบัติอบรมตนด้วยสินธรรมในเรื่องของการละหรืองดเว้นให้เป็นไปโดยสมบูรณ์แล้ว บาปนั้นก็จักไม่มีไม่เกิดขึ้นในกายของเราไม่วาจาของเราและก็ในใจของเราอีกต่อไปตลอดการที่เราท่านทาั้งหลายได้พากันรักษากายวาจาและใจของตนให้อยู่ ในแนวทางคือข้อปฏิบัติเพื่อเป็นการละลุงดเว้นอันนั้นเมื่อเรามาทำการละละงดเว้นในสิ่งที่เป็นบาปและเป็นอกุศลได้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้พากันสุดฝน ลมกายวาจาและใจของเราในเรื่องของความดีในเรื่องของความงามคือให้กายของเรานั้นเป็นไปหมายถึงการแสดงออกทางกายให้เป็นไปด้วยความสุดจริต ความสุขจริตหมายถึงเป็นความดีซึ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนอกจากเราจะมาฝึกหัดกายของเราเป็นต้นนี้ให้ทำการละวองดเว้น บาปประทมทั้งหลายทั้งปวงแล้วเราก็มาฝึกกายของเราเป็นต้นนี้ให้แสดงออกไปในแนวทางที่ถูกต้องที่ดีงามการกระทำที่ดีงามก็หมายถึงการกระทำที่สุดจริต ไม่ผิดต่อกฎหมายและก็ศีลธรรมซึ่งเราจะทำอะไรก็ได้ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีปริมาณที่เราจะนำมากล่าวสู่กันฟังให้จบสิ้นได้ไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะแสดงออกในยาบทไหนอย่างไร ให้มันเป็นไปด้วยความสุจริตไม่เป็นไปกับด้วยความทุจริตตัวอย่างก็มีเยอะแยะ